ถึงเคล็ดลับของอัลลอฮ์ในการชี้แจงแก่ปวงเบาของพระองค์แนวทางแห่งความดีและความชั่วบทนี้ได้ตักเตือนชาวมักกะถึงการลงโทษของอัลลอฮ์และการจัดการของพระองค์แก่ผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆและระดูนของพระองค์และได้เตือนพวกเขาให้ทราบถึงไฟนรกอันร้อนแรงบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตัวอย่างของผู้ศรัทธาที่ดีซึ่งบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาไปในทางที่ดีเพื่อขัดเกลาตัวของเขา และปกป้องตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺด้วยพระนามของอัลลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงแท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนซันผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายได้และส่วนผู้ที่ตรณีถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความยากลำบากอย่างง่ายได้ และทรัพยสมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกลงไปในรนรกแถ้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชี้แนะทางนำและถ้าจริงปรารโลกและโลกนี้เป็นของเรา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 ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลารตนเองและที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทนนอกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้พิบาลของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น และเขาก็จะพึงพอใจ